อยากจะได้รถหนึ่งคันราคาเท่าไหรราคาห้าล้านเหนะรถบัสไม่ใช่ธรรมดาแล้วรถบัสราคาห้าล้านหลวงพ่อคืออ้อวนี่แหละวันพรุ่งนี้แต่จะได้ไปฉันแล้วก็จะได้จะได้กี่ล้านก็ไม่รู้แหะแต่ผู้ประสานงานทางกรุงเทพคันหนึ่งมันพอไม่หรอหลวงพ่อผมว่าอีกแล้วทีนี้ โอจะไปหาบอกยายเฮ า, าไได้ขั้นหนึ่งก็พ่อแล้วแวจะไปหาอีกขั้นหนึ่งมันพ่อบัลลงพ่อหน่อขั้นให้พ่อมันก็บบพ่อแล้วปรการได้อีกสักได้สักสองขั้นหรือสามขั้นมานลตามความตรงการข้เจ้าวะ่ะตามมีสักสองขั้นนี่ยนั่นแต่ขั้นนึ ง, งเเอออัพ่อประทังนักศึกษาตั้งสองรอยกว่าขั้นหนึ่งมันก็บบพ่อแล้วว่ะ ขันย่ยางมา ก, กได้ประมาณเจ็ดสิบแปดสิพ้อยางยัดกัยางแน่นเนี่แหละวันเออเนี่ยเขากคงจะไปชาสัมพันธ์ทากรุงเทพนะมั่งมันจะหาทุนให้พิทยาลัยพยาบาลอุดรธานีนี่ะสาธารณประโยชน์หลวงพอบในม่องขามศรัทธายาดงลูกลา น, น, น่ถึงอยากลาบากหลวงพอ่ออเอาไปแล้วก็ โรงเรียนอุดรพิชัยรักกิจอุดรพิชัยรักกิจอยากจะได้โดมโดมสำหรับนักเรียนเขามาคิดทำกิจกรรมหรือว่าทำ อ, ออย่างกวายคู่กิจกรรม อ, อย่างหลายๆยอย่างเดือนนี่มันบะมี่โดมหรือบมี่าลาถือจะให้นักเรียน พักหลวงพอว่อเวลาแดดกันแดดปวดเวลาฝนตกนตก็ตกอยากจะได้โดมสักหลังนึงที่จัดเป็นผาป่าหลวงพ่อพี่อนอาเนี่ยมันมก็เกิดประโยชน์สำหรับลูกหลานอีกเอาเท่าไหร่ล่ะทีแรกก็อยากจะได้สักสองลานหาสิเลสองหลานหาคือจะได้เป็นช่วงกลางสะกก่อนวันหลังยังคอยต่อหัวต่อท้ายอีก งบละประมาณ8ปดล้านแปดสันใดโอ้โหแปดล้านแปดผมนึนะนกเราก็เออไอ้หลวงพ่อเป็นประธานเหยเอา้าในช่วงเนี่หลวงพอ่อช่วเจ้าพ่อขายใด้ขายเพื่อสาธารณลุงพ่อก็บพว่าดอกขั้นว่าขายเป็นส่วนตัวเอออะไรบะไรอะไรแต่ขายเพื่อลูกเพื่อร้านเพื่อสาธารณประโยชน์เนเพื่อโรงเลี้ยงเพื่อโลงพยาบาลมอเครื่องมือแพทย์ หลวงพ่อก็เออเพราะหลวงพ่อเป็นพระสาธารณะเดยบ่เป็นพระผู้ใดผู้หนึ่งบ่เม็นขนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งบ่เป็นพระของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นพระสาธารณะนะแต่เมื่อสาธารณะเกิดขึ้นน่ะหลวงพ่อก็ต้องขอไปช่วยเขาคงจะเห็นข้าวหนึ่งมัง้งที่หลวงพ่อไปทอดผาป่าให้โรงพยาบาลกลุ่มภาวาปีนะ่ะ หลงพ่อไปเห็นตึกสั่งมาได้สี่ปีแล้วขึ้นไปเบิงชั้นเทิงเลยห้องผพาตัดแล้วก็ห้องพิเศษแล้วก็ห้องไอซโอ้ยว่างจางปางพบปัญญายังโดนไปมามีอย่างนี่นนแล้วหลงพ่อมาเบิง่งเขาเห็นเลยโ อ, โ อ, โ อ, โอ้ตายสั่งมาสี่ปีตุ้กข้อกังวัลก็เมื่อมันก็บวไหรหลวงพ่อเห็นจังไหนเอาจะให้หลงพอ่อเป็นประธาน ในการทอดผ่าป่าหลวงพอ่อือเอา้าลองลองเบิ้งมาวันหนึเขาคขึ้นไปอยู่ในเมืองอุดรเน่ยเห็นแต่หลวงพ่ออินมัดเทเลทลายอยู่ลูกหลานเคยสังเกตบก่ <c oughs> เออผ้าป่ากลุ่มพวารีโรงพยาบาลานี่แหละหลวงพอ่อเอา้าพอมเป็นโรงพยาบาลเลยเขาบอกว่าโรงพยาบาลกลุ่มพวารีทาหาว่าเครื่องมือมีขึ้นมาเนี่ยจะเป็นเครื่อง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 ตาโนยตอยตัวนึงกันแลนเขารงพยาบาลศูนย์อุดรคนนน่ะบาดเนี่มันร้นแน่นเต็มบา้านเลยเอ่อตังซีหาหกพันคนนะแต่ละมือเลยก็นาจะไม่รงพยาบาลรองรับเครื่องมือคู่ขี่กันใกล้เคียงกันนาจะมีโรงพยาบาลกลุ่มพระวาปีคนนั้หลวงพ่อเออเห็นด้วยคนนั้นเขลงเอ้าถอดป้าป้าอาจารย์จอมจักธรรมศักดิ์มา อที่เป็นเคยเป็นสำนักพุทธก้อนเปิดมาเป็นประธานแล้วก็ผู้ว่าราชการเมื่ออุดรพู้ล่องผู้ว่าผู้ว่าห ล, า, า, ล, า, า, ลายคนเหมือ น, นะทั้งสงฆ์เลยเอาก็จัดให้ลูกพ่อเป็นประธานไฟสงฆ์หาทุนโอ้พี่น้องให้ความสนใจใส่ใจอย่างมากเลบินธบัตรมานะอ่ะโอ้คนเยอะอพอเตรียมตัวทอดผ้า ป, ป่าก็ได้เงินทั้งมัดยอดผ้า ป, ป่ามันอันเด สามสิบเอ็ดล้านสี่แสนมานนะลูกลนนะหลานเนี่ยนั่นแหละลูกหลานคงจะเห็นตัวนั้นมัน้งเขาก็เห็นมา่าโอ้ขายลงพวีนนี่พวกขายออกเยอะด้อยขาจาวาเด่อนวัวนผะู้ใดก็ได้เอาลงพวีนไปขายบ้านนะเนี่ยขายข้านั้นได้สามสิบเอ็ดล้านพอ่อเรานะี่ไปจะได้ใจเงินอยู่ประมาณยี่สิบหกล้านทั้งโงกพิบัติเดนเน่นก็เลยต่ออาคารขึ้นมาอีกต่อเป็นตึกสงอีกสองห้องเพื่อเพื่อจะได้ ใช่สําหรับตึกสงฆ์โรงพยาบาลกลุ่มพระวาปีนี่แหละหลวงพ่อไปเห็นแล้วเออพอใจภูมิใจหนุ่ อ, อในพี่น้องศรัทธาญาติโยมที่มีจิตใจเป็นกุศลโดชยช่วยๆกันสาธารณประโยชน์กันที่ค่อยแต่รัฐบาลอ่เท่นอย่างหดมาลุ่มมาตุ่มมาลุ่มกันตุ่มเดี๋ยวก็เขา่าเดี๋ยวก็ยางอยูอย่เลย มันจะมาเหลียวหอดเท่ามันเหลียวบ่หอดเราลงไปกันพวกเข้ามาซอยกันเกาเป็นแต่ซอยอยังกับเอาซอยกันคนละใหม่คนละมือพอขาไปใช่ชนคนในทิน้นเท่าก็อจีซอยอยังหนอยเอาตั้งฟัดว่ า, าศาสนาตลงพ่อก็ซอยเข้าไปแต่มีศรัทธาหยาดงผูนน้นึงได้แต่ตามไม่จริงพ่อได้เงีย้ยหนึ่งสี่พอนก็พ่อใจมาจากกรุงเทพพอนี่บินมาแล้วไง คนประมาณจากอายุจากประมาณจากสี่สิบเนี่ยนะเป็นนุมแล้วพ อ, อยางข้านเขามาน่ะเป็นเงอาถวายเช็คไว้หนงงบนเอาไปผมเขาถวายเช็คร่วมซื้อเครื่องมือแพทย์ครับหลวงพ่อครับแต่ไม่ต้องประกาศหรอกครับผมถวายเฮ้าขอบอลนึกอื่นไปจริงๆแล้วว่ า, าวบ่าหาแล้วก็จ้าไปแล้วเขาเลย เ, เปิดปวงปาโทมาเป็นเงินน่อยตัวหนึ่งเงินทางลัานนึ่งตัวหนึ่เช็คไปหนี่งวะ เออหลวงพ่อเอ้ยมีเทวดาเนี่ยนําเช็คมาให้จิตใจเป็นกุศลจิตใจสูงทรงเห็นสาธารณประโยชน์ไอ้อซอยเครื่องมือแพทย์ไห้กับโรงพยาบาลกลุ่มพ่อว่าปีหลวงพ่อเห็นเช็คใบนี่โอ้ราค่าเป็นล้านนะหลูกล้านแน่แล้วก็ บ, บอกไอ้บ อ, บอตองประกาศซื้อของผมดอกบอตอง อ, อตองประกาศนี่แหละ หลวงพ่อพอประกาศแต่หลวงพ่อบอกให้าูโหวะเนี่ยเทวดาเอาเช็คมาถวายหลวงพ่อยเนื่องลานบาทแ้ะลูกลานได้อะ <c oughs> เออเนี่แหละดูดูแล้วก็บผู้มีศรัทธาเพป็นก็มีอยู่ในจิตในใจแต่สิเห็ดจังไดมันสิถูกต้องเฮ็ุจังไดมันสิถูกจดต้อนเอาไปเออผู้มีใจยังสั่นก็มีอยู่ไเลยพอมีอันจะกินอยุ่แต่ว่าเหตุจังใดมันบริจาคบ่งใดมานสิถึงถึงมือประชาชน ถึงพี่น้องลูกหลานที่แท้จริง น, ะนี่แหละอันนี้ผู้ถือมีดจังสีก็มีอยู่แต่ว่าบางคน้อมันก็เออเอาจับหนาชนหลังไปเออเดีอวกันแบบนึงก็บอว่ากันแต่ผู้มีฐานะพอเป็นพี่จะช่วยเหลือชุมชนสังคมได้อยู่ก็ควรจะช่วยเหลือชุมชนสังคมลงพอไปว่าอยู่ใส่ขึ้นกันนะลงพอเออพี่น้องลูกหลาน วิชาอาชีพทุกอาชีพนะตั้งแต่อาชีพทำหน้าไปละเป็นต้นไปนอาชีพทำหน้านี่กัที่แรกเหมือนกันนะก่อนจะเหตุหน้าได้นี่ยกับไถดินลงไปกับค่าขีสะดักค่าขีสะดื่นค่ากบขาเกขาขียดเเกียบยาไปเลยซัดตายก็เพรไม่นหน่อยขึ้นกั น, นต่อมากขึนง้อควายใส่แรงง้อควายไถหน้าอีก ตุ้มือถึงวัดไถมีนมตลดแต่ถึงยังไงกขากี่สะดักดกี่สะดือนยุ่นในแผ่นดินก็บอแม่นหน่อยขึ้นกันอยากนามากก็ไดเขามากพราไดเขามากเราเฮ้าของกวนจะทําบุญอุทิส่วนกุศลต่อหลวงวิญญาณต่อทรัพร์สัตธ์ทางหลายที่เฮ้าไดเหยียบได้ย่ำไดมันมันตายกับทำการทำงานของเฮ้า อย่าไผูกเวทกันเนออพวกเข้ารด้สัตว์เอออันนั้นก็คือส่วนหนึ่งแต่พี่น้องประชาชนาพวกไรอ้อยก็ตามพวกทำงานราชการพอขาขายของช่ำาขายเครื่องมือแพทย์ขายแยวงก็ตามขายรถมือสองก็ตามาโดยมากเงื่อนที่ได้มาเนี่ยมันบิลุิธุดพุทธพองทุกบาททุกสตางค์มันกระบบเป็นอย่งสัง่นคือกันเด้ กิจเหตุพวกนู้กีนออกลูกล้านอันนี้ลงพอว่าให้ฟังเงินที่ได้มากานะเพราเป็นสิบริสุทธ์ทุกบาททุกสตางค์บางเท่ก็เบียดบางบังบางเท่ก็ขีตัวเขามาก บ, บังกันออกไปตามไี่จริงนะทำมากหาขายมันก็ต้องตัวแหละไปซื้อไปข่าไปข่าไปตัวอันไปอันนี้คือกันขายของก็ของสีตัวเขาเอราคาตอนนี้ราคาที่จริงมันหาบาทเนีโอ้ยราคามันสิบาทจะข่อยซื้อมากไป วันนี้ขายกี่ตัวเขาแล้วบาทนี่ยบาหาเขาก็ซื้อมากเอ้า่อยขายจะสิบสองบาท่อยซื้อมากขอขอจ้ะสองบาทที่แท้มาซื้อมาหาบาทเองสิเพราะสิ่งของเรานั้นที่ได้เงินมากนี่บอเมเนจิบริสุทธิ์ผุดพองมัดทุกบาททุกสตางค์เพราะนั่นถึงข้าวเฮ้าเริ่มตาอาปากได้แล้วลำรวยขึ้นมาแล้วพ่อจิ้จืนด้วยล่าแข่งตัวเองได้แล้ว ถึงขนาดนี้แล้วเฮาข้ควรจะช่วยเหลือชุ่มชนสังคมได้บาทเนี่ยบ้างเฮาควรจะมองเบิงสังคมชุ่มชนเออผู้ขาก็ได้เงินมากกับกบริษุททุกบาททุกสตางค์เนาถึงอย่างไดรก็ตามผู้ขายจะช่วยเหลือกลับไปช่วยเหลือชุมชนนะขั้นทิ่ควักสตางค์ให้แจกให้เช่าบ้านร้านตลาดผู้ละหาผู้ผรับซื้อทุกสิ่งคือจังจิตเขาก็ที่ว่าเป็นบาทเนี่ยผู้ขายจะช่วยสาธารณประโยชน์เนาะช่ยวยเครื่องมือแพทย์ช่วยลุงหล่อมช่วยลุงเลียน สวยสาธารณะยังสื่อรถสื่อล่าอย่างที่เราม่คว่ำจำเป็นต่อสาธารณะบอเมเนผู้นึงของผู้ใดไข่ผู้นึงเป็นของทุกทุกคนผู้ผคาร์เนลเสียสะละทันในั้นหาบาทสิ บ, บาท20 บ, บาทห้สิบสตางค์กว่ากันใช่ไหมมินาคิดนําใจช่วยกันสาธารณะประโยชน์หลวงพ่อว่ามันจะเป็นการล่างบาปของเฮาส่วนหนึ่งคือกันได้ พอเงินทุกบาททุกสตางค์ก็ยังที่หลวงพ่อบอกหลวงพ่อเบาเนี่ยนะเพราะนั้นเขาให้พวกลูกหลานทุกขุทุกคนอน่ะเบิ่งสาธารณะประโยชน์แต่พอแมนเ่อนสิไห้ทั้งมัดพอแมนสิกอบกำมาจังมัดที่บอมีบอมองชุมชนสังคบเฉลยในชุมชนของเฮาเฉลยกับบ่อเธอยังที่องข้ามดนตรีเพิร์นบ่าวกับนาฟังของเพิ่์นได้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 ที่ผมเกิดชื่อถึงเนะี่ยมีหลวงปู่คาดีหลวงปู่ชอบหลวงปู่ลุยหลวงตามหาบัวหลวงปู่เทศหลวงปู่ฟันหลวงปู่เขาที่มาศึกษามาปฏิบัติมาบินเ บ, บาตดที่สกล น, นครเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นอย่างไง้เต้องมาได้มาฉันข้าวพี่น้องลูกหลานชาวสกล น, นคร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 ได้ดูแลพระ ส, สงฆ์มานั่นะมาตกถึงมาถึงลูกถึงหลานผมจะสร้างอาคารเรียนเพิ่ก็ได้ส้างอาคารเรียนก็ว่าซีสันมาเนราคาถึงยี่สบสี่ล้านกว่าเกือบยี่สิบาล้านลูกหลานลหลวงพ่อได้ไปเปิดโอ้ไปเห็นใหญ่โตอินั่นละสรุปแล้วก็คือเพิ่นลำลึกถึงพระคุณเพราะนั่นการที่เขาพวกเข้าทั้งหลายท้ำบุญทํำคุณ สั่งคุณงามความดีไว้เนี่อมนุษย์พอเห็นเทวดาก็เห็นว่าไงปู่เป็นมีหูทิพตาทิพ ป, ปู่เป็นบันณฑิตนักปลัดเว้นไว้แต่ผ้าละชนกันผ้าละชนคนโงอเงาเตาตุ น, นเห็นแต่โลภโกรธหลงราคะโทษสะโมหาน่ะที่มอกบอเห็นคุณงามความดีมีแต่จะเห็นแต่สิ่งที่ไล่สาระไร้ประโยชน์อมีแต่อ เอาลัดเอาเปียบพีน่น้องประชาชนลูกหลานจะเห็นบุญคุณพี่น้องลูกหลานหาได้ยากแต่ผู้ผูพันมีปัญญาแล้วก็มีโทษทัพย์พร้อมผนก็ม่องม่องไกลม่องเห็นพวกผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์กับพุ่งการพระพุทธศาสนางซีๆล่ะยังที่พันหมอกหลวงพอ่อขอฟังบงได้ก็ออน่าคิดนะ เพราะนั้นการที่จะช่วยสาธารณประโยชน์ที่หลวงพ่อบอกอีกบ้างนี่ก็เพรต้องนักใจแต่บีบอัดใส่ใจใเฉลยบะถูกแต่เกิดไปนักใจจนมากเกินไปก็ว่าน่าจะเป็นทังสัตว์แต่ว่าควรจะช่วยมหช่วยควรจะช่วยชุ่มชนสังคมควรประยุกตเพราะส่วนหนึ่งเฮ้าเขามากเกิดในพื้นแผ่นดินไทยเนี่ยเฮ้าต้องมีอยู่ต้องไม่กิน ถ้าจะว่าทำไา่ไหใช่ทำไา่อย่างที่พวกห้องมาอยู่นะทำไา่ปาโงพงไพ่ต้นใหม่ผู้ผาปาใหม่แหลกและเล่งละล่ไปมดกับพวกฝีมือของมนุษย์แต่บาดีนห้องสิบประยุ่งไหวจะเล่อยมันก็พอถูกขึ้นกันเราจะไปะยุ่งส่วนไรไใ้ให้เกิดประโยชน์แต่ว่าการที่จะพยุ่งจุดนี้อีกคึกันการนาไปฝาก ฝากใครไปกับกายทีมันกามก็กินกินไข่มัดนึ่งวันวัไปอันนี้มันก็ยากอีกที่กันจะทําให้เกิดจังไรให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองที่จะบริสุทธิ์ฝากไปแล้วให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนต่อสังคมอันนี้มันก็บางบางข้างก็ถึงจุดหมายปลายทางแต่บางข้างก็ยังผกเข้าได้ยินได้เห็นนะั่นแหะ เพอได้เงินมากจากักแมได้ยังเอาไปใส่ลุยชุวยแช่ั้งทีเข้าจะเกิดให้ปรารถนาไวปฮะไม่เป็นทังสัตแต่พอมันพอเอาไปใส่จริงๆมันบมเป็นอย่างที่เข้าตั้งความหวังตั้งความปรารถนาอยากให้มันเป็ี่นบางที่บางเสียงบางอย่างเข้ากออ่อน อ, อกอ่อนใจขึ้นกันพะว่ามันบมดถึงจุดหมายปลายทางที่พวกเข้าได้ตั้งใจเอาไว้สิ่งเรล่านี่มันก็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 ในเรื่องนั้นๆนบ่เป็น ร, ร้ำพ่ออันนี้ก็นาคิดขึ้นกันมันไปมันโมเมนตนาคิดแต่พวกพี่น้องชาวบ้านเนียหลวงพ่อเนี่ยก็นาคิดขึ้นกันที่เฮ็ดยังน้องพ่อก็ต้องเบิ้งอีกม อ, มองอีกมองแล้วมองอีกเบิ้งแล้วเบิ้งอีกนี่ยขึ้กันบ่หวาท่านหวาเล่าหลวงพ่อขึ้นกันก่อนสิว่างจุดใดหนึ่งต้องเบิ้งสัก่อนถึงจุดหมายปลายทางบ่เนี่อันนี้คือกัน ก่อนที่ช่วยเหลือชุมชนสังค ม, งมท่ผมเล่าจิตดจมากับวานผลยิ่งหัวจรินไปกับวานไปเลยผลที่สุดกันน่ะยิ่งเสียงที่ออกมาเพราะเป็นที่พ่อใจเข้ากัเสียอกเสียใจไปอีกลายชิทั้งที่จะได้บุญกลับทําไม่คิตใจของเขา้าเสารมองลงไปอีกนิ่สียงโมนี่เขาก็ต้องได้คิดคือกันนะก่อนที่ว่างาก่อนที่ถวายเงินก่อนที่จะว่างเงินกับผู้ใดกลุ่มใดคณะใด มันชัดเจนบอกอย่างหลวงพ่อเคยบอกกับครูบาอาจารย์คือกันที่ลงก้อนนา น, นี่มีงานลงเลี่ย น, นยังก็ตามงานราชการก็ตามเขาจะให้หลวงพ่อไปเป็นหัวหน้าหลวงพ่อบอกนะหลวงพ่อบอกว่านี่นะถ้าให้หลวงพ่อไปเป็นหัวหน้านี่เงินที่จะลงขันตามไม่จริงก้อนสิ ก่อนที่จัดงานขึ้นมานี่อย่างวิทยาลัยพยาบาลนั่งจริละ่ะต้องมีเงินต้องมีเงินลงทุนก่อนตรงเงินลงทุนคืออย่างคือขึ้นค่าน้ำค่าไฟค่าเ อ, อเอาหงอาหารเลี่ยงแข ก, กเรื่องคนนี่ยแหละเรื่องน้ำฮะตานนี้พวกเข้าจะเอาเงินมาจักใส่มันพวกครูบาอาจารย์ตรงร่วขันกันก่อนได้นักเรียนนักนักศึกษาตรงร่วขันกันก่อนค็ละหักกละซิบก็บ่าว่ากัน พ่อได้มากอะไรกันแต่ใช่แบบประหยัดล่งขันแบบประหยัดพ่อได้มากแหละพี่น้องประช่าชนเขาลุ่งขันมากกวาเนี่ยเขาสีซื้อรถเนี่ยเงื่อนที่ได้มากของพี่น้องประชาชนต้องให้สิทธิ์ต้องเคารพเขาได้บอดบนจีไม่บอมานจีได้เงื่อนก่อนนั้นมากแล้วกันนี่แหละอขามอล่ำสิ่งเท่านั้นค่าโตจีนเท่านี้ค่าเหล่าเท่านั้นค่าเบียร์เท่านี้อบาหาแล้วเพล่เพลยังสิท ขาดทุนอีกต่างหากพอต่างคนก็นต่างตีและข่าเอาเต็มทีของไปของมันมาในพี่น้องประชาชนที่เขาช่วยที่มาสื่อรถน้ำเห้านะเขาเดได้ยินเดยนกมีหูหนูมีปีกด้เมื่อเขาได้ยินเข้ามาโอ้โหตาตาตาตาตาย่าไปหาทรงเสริมก็พวกนี้นะพวกเขาเขาวายเขาฉลาดนั่นแ่ะแต่มันมา ก, กินพวกเขานะให้พวกเขาสังเกตขอ บ้านให้พวกข้าราชการทั้งหลายพวกครูทั้งหลายพวกนั้นทั้งหลายออกไปตลาดไปขอเขาไประเขอให้ช่าตลาดเขามาซอยเช่าตลาดเขา เ, ขา เ, ขเราเค็ดพ่อไปเนี่ยพ่อปันกินหมากก็ยังมัเค็ดแข่าประนันเหลานั้ไปเค็ดนําพวกเข้าทั้งหลายบ้านให้พวกเข้าเค็ดทั้งหลายเอาบ่หมีทางไปออกกูบาออกน้าบ้าน <c oughs> เอาลงปูลงตาออกหนายเอาลงพ่อออกหนาวบ้าน <c oughs> ให้พวกเขาเขามา เพราะนั้นหลวงพ่อออกหนาสู้เจ้าจะเหตุแบบนั้นนะไอ้คันมียังเอ้พระต้องใจมากตามมีตามเกิดเราจะไปใช้เงื่นของพี่น้องประชาชนเขาที่เขามาทําบุญเท่าไรมีพันเท่าไรต้องชัดเจนต้องไปตามเป้าตามหมายแต่เงืนของพวกเข้าที่จะเก็บมา่านใส่เก็บจากพี่น้องประชาชนเนีย่ยเงื่อนกองกลางกว่ากันไปแหมแต่จไปใช้ลุ่วชุยแฉกจะไปใช้ามาก พวกเขาพวกเข้าทั้งหลายคืดนะขั้นผูดได้จะทางานกับหลวงพ่อขั้นพูดทํางานกับหลวงพ่อเนี่ยไปกินพี่น้องประชาชนขึ้นมาเมื่อใดก็เมื่อนั้นล่ะขั้นหลวงพ่อหูนะบ่มากไกลก็แล้วกันเพราะนั้นลูกหลานทั้งหลายพวกข้าราชการทั้งหลายพี่น้องประชาชนลูกหลานทั้งหลายนะฟังเอาไว้เนี่ยหลวงพ่อเตือนเลยก่อนหลวงพ่อจะย่างกลายเข้าไปในในวงการใดหลวงพ่อจะบอก บอกเลยออกเราไปหลวงพ่อได้ยินมันจังสันอีหรีเลยพอได้ดยินมันก็บอกว่าท่านว่าเล่มันก็เค็ดขึ้นกันว่าต่ตัวเองฉลา ด, ดเลยที่แรกพ่อออกไปเลยชาวบ้านเขาได้ยินนี่ยโอ้ยพวกเขาก็เงินไปให้เพื่อจะให้เพื่อเป็นการศึกษาสื่อส ม, มุดตินสอให้เด็กนักเรล่นการกีฬาให้เด็กนักเรียนแต่ที่ไหนได้เพราะเป็นค่าเหล่าค่าเบียค่ามาล่ําสิงคาโดนตีที่คู่จ้างมาก ว่ถึงหอดนักเรี้ยงจะเพื่อเผยยังสิขาดทุนหนึ่งต่างหากเช่าเช่าเชี่ยไปหาหนุ่มนําพวกนี่ฮะไอ้ชาวบ้านเขาวาจังสั้นได้กาเนี่ยตัวเองพระท่านหูเนาะตัวสิ่หูนู่นมจัดงานอี้เข้านานก็ซอไปหาเขาเลยเขาก็เชิญหันล้างหายเนี่ยนี่แหละกายังพระท่านหูจัดอีกว่าเป็นอยังเขายังบอกให้ความร่มมือก็เพราะสิ่งเหล่านี้แหละคือความประพฤติของพวกเฮา ประเนขอฟังไว้นะพี่น้องลูกหลานคณะัตธาตุญาตโน้มผู้บาอาจารย์ข้ราชการทุกหน่วยทุกเรานะนี่แหละหลวงพ่อได้บอกฟังฟังลูกหลวงพ่อได้บอกอย่างบอาตรงเอยตรงมาแล้วไบอกให้ได้คิดได้ตรงเหมือนกันเลยมันแมนว่ที่หลวงพ่อบ่าวบ้านพอหลวงพ่อบ่าจึงไดที่มันแมนหลวงพ่อจึงบอกบอกให้ฟังเราไปบอกบอกว่ามันแมนแมนหลดตอาหลวพ่อน้อมานี่นะหลงโมทนาให้พอ